มีวัดหนึ่งนะในกรุงเทพสร้างสมัยรชัชกาลที่สมสมัยนั้นยังเรียกว่าชื่อกุงรัตนโกศินนะวันนี้เนี่ยชื่อวัดพระยาไก่ยอยู่แถวถนนตกนะตอนที่สร้างใหม่ๆเนี่ยก็คงจะมีบรรยากาศที่ร่มรื่นเพราะว่าอยู่ริมน้ำนะเจ้าพยายถอยหลังไปเมื่อสองปีก่อนนี่เจ้าพยานี้ก็สงบนะร่มรื่นเป็นรมณีแถวถนนตกนี่ก็มีแต่ สวนมีต้นไม้ร่มครึม้มเนเหมาะกับการเป็นอารามนะแต่พอมาถึงสมัยรักาลที่5เนี่ปรากฏว่าแถวถนนตกเนี่ยหรือบางคอแหลมเนี่ยมีบริษัทฝรั่งเนี่ยมาทำท่าเรือกันเยอะมากเพราะว่ารัชการที่5นี่ก็มีการติดต่อกับฝรั่งมากขึ้นฝนะรั่งก็มาทาการค้านะกับกรุงเทพ สมัยก่อนเนี่ยสินค้าก็ต้องขนมาทางเรือฝรั่งก็เลยมาทํำท่าเรือแถวถนนตกนะอันนี้ก็เป็นที่มาของคำว่าถนนตกด้วนะเพราะถนนเนี่ยเจริญกรุงเนี่ยมันก็ไปสุดตรงนี้แหละตรงบางขอแหลมเนี่ยเรียกว่ามันตกแม่น้ําไปเลยนะถนนเจริญกรุงเนี่ยมันยาวจนตกแม่น้ําเลยไปสุดตรงนั้นแหละเพราะอะไรเพราะว่ามีฝรั่งมาทํา การค้าเยอะถนนเจริญกรุงเนี่ยมันเป็นถนนสำคัญมากในสมัยการที่5ถ้าสมัยนี้ก็เปลี่ยนมือนกับ s u เปอร์ไฮเวย์นะเป็นถนนที่เรียกว่าทันสมัยเรามาสุดตรงบางคลแหลมจึงเรียกว่าถนนตกอันนี้ฝรั่งเนี่ยพอไปทำท่าเรือมากมากเนี่ยนะมันก็เข้ามาลุกล้ำที่วัดพญาไกา่ลุกล้ำมากแล้วก็คงจะพลุกพล่านด้วยนะ สุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นวัดร้างกลายเป็นวัดร้างพระคงอยู่ไม่ไหวมั้งหรือว่าที่มันคับแคบพอเป็นวัดร้างเนี่ยก็มีบริษัทฝรั่งนะชื่อ East Asiatic นะ๋ยวนี้คนไทยเราก็คุ้นนะชื่อเนี่ย East Asiatic เนีเพราะว่าเขาเ อ, อ, อ, อะไรไอคอนสยามเนี่ยมันก็เกี่ยวพันกับ East Asiatic เนี่ย ไอ้ขวัญสยามก็อยู่แถวถนนตกเหมือนกันอิเซชติเขาก็มาขอเช่าที่วัดเพื่อทำโรงเรื่อยนะพอได้ที่วัดก็ต้องย้ายพวกเสนาสนะกุติวิหารโบสถ์ย้ายหมดหรือหมดแต่ว่าเหลือพระพุทธรูปอยู่สององค์ย้ายไม่ไหวเพราะใหญ่มากนะองค์หนึ่งก็เป็นพระพุทธรูปทองสำลิด อีกองหนึ่งก็เป็นพระธุลปุ่นปั้นนะใหญ่ขนาดหน้าตักนี่หศอกนะหนักหลายตันก็ถูกทิ้งเอาไว้ตรงนั้นแหละท่ามกลางลงเรื่อยตั้งแต่สมัยการที่ห้าพามา20ปีเนี่ยสองสดคณะสงฆ์เนี่ยมาเจนสมาคมก็เลยมีคำสั่งให้ วัดสองวัดเนี่ยมาทําหน้าที่นะเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปสององค์เนี่ยเพราะว่าไปตั้งไว้ตรงนั้นเนี่ยมันไม่เหมาะแล้วละ่ะมันเป็นหลงเลื่อยนะพระพุทธรูปใหญ่ทุกเลยนะให้สองวัดนะวัดหนึ่งคือวัดไผ่เงินอีกวัดหนึ่งคือวัดไตรมิตรรับภาระขนวัดละองค์ วัดไผเงินมาก่อนมาถึงก่อนนะก็ทันทีเลยนะขอขนย้ายวัดพระพุทธรูปทองสำลิศนะเพราะว่าทองสำลิสนี่สวยก็เหลือแต่พระพุทธรูปป่นปั้นวัดไตมิตรก็เห็นแล้วก็ไม่ค่อยอยากได้นะแต่ว่าได้รับคำสั่งจากมหาเถรสมาคมแล้วจากคณะสงฆ์ก็จะเป็นต้องย้ายมันก็ยากมากนะ เพราะว่าสมัยก่อนมันไม่มีรถราหรือปั้นจันที่จะมาขนพระขนาดใหญ่แบบนั้นก็เลยทุลักทุเลเฉยๆนะพอไปสรูปปูดปั้นเนี่ยไปถึงวัดใจมิตรเนี่ยก็ถูกจะเรียกว่าตั้งไว้เนี่ยนะหรือถูกทิ้งก็แล้วกันนะนอกวัดน่าอยูท่ทิ้งไว้ตรงลานวัดนั่นแหละแล้วก็ปลูกเพิงสังกษีให้ เพราะว่าจะตั้งกางแดดก็กะไรยอยู่ปูกเพิงสังกสีให้กับพระพุทธรูปองค์เนี้ยผ่านมายี่สิบปีนะก็ยังไม่มีการทำอะไรกับพระพุทธรูปนี้ที่จริงทางวัดนี่ก็ประกาศนะวัดไหนอยากจะได้เอาไปเลยอยากจะได้เอาไปเลยแต่ไม่มีวัดไหนอยากจะได้ซักวัดเลยเพราะว่าองค์ใหญ่ ขนย้ายลำบากแล้วก็เทอทะไม่สวยหลวงพ่อปูนปั้นนี้ก็เลยถูกทิ้งไว้อย่างงั้นแหะปีจน2498มันใกล้ครบพุทธ25พุทธศตรวรรษก็เลยทางวัดก็จะมีการเฉลิมฉลองที่ิงก็เฉลิมฉลองกันทั้งประเทศนะ่พุทธศตรวรรษ ก็มีคนเมนเจ้าวาดนะหลวงพ่อท่านบอกว่าเนี่ยก็อยากจะทำอะไรดีๆให้กับพระพุทธรูปองค์เนี้ยก็เลยสร้างวิหารให้แทนเพิงสังกษีพอสร้างวิหารเสร็จนะก็ทำการขนย้ายเข้าวิหารแต่ปรากฏว่าพอขนเนี่ยเชือกมันขาดเชือกขา พ, พุทธรูปก็เลยตกลงมากระแทกพื้น ปูนมันก็กระทาะออกปรากฏข้างในเนี่ยเป็นเนื้อทองตกใจกันมากเลยแล้วพอกระทาะปูนออกหมดนะก็เพราะว่านี่คือพระธุรุปทองคําเหลืองอารามทั้งองค์เลยตกตะลึงอศัศจรรย์มากไม่คิดเลยนะว่าจะมีพระธุรุทองคํานี้ตั้งอยู่ในวันนี้นานเหลือเกินโอ้ดีใจกันมากเลยนะเพราะเป็นพระธุรุที่สวยมาก เมื่อปี33เนี่ยกินเนสบุ๊กเขาบอกนะนี่คือพระพุทธรูปทองคําองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะเราะกว่าวัดไตรมิตรเนี่ยซึ่งเดิมที่คิดว่าได้ภาระมาปราะกว่าได้ลาบนะได้ลาบก้อนใหญ่เลยวัดไผ่เงินเนี่ยที่เคยเมินพระพุทธรูปปูนปั้นเนี่เสียดายมากนะรูงี้นี่เราขนพระพุทธรูปปูนปั้นนี่กลับวัดดีกว่า เพราะเป็นพุทธุลภทองที่ล้ําค่ากว่าพุทธลูกทองสํำลิด ท, ที่วัดไผ่เงินต่ อ, อไปซีกเรื่องนี้นี่มันก็ให้ข้อคิดกับเรานะว่าคนเราเนี่ยจะมองอะไรที่เปลือกนอกนะพุทธลูก ป, ปูนปันนี่คนไป ม, มองที่เปลือกนอกก็เลยไม่เห็นคุณค่าทิ้งเอาไว้ที่ลานเพิงใต้เพิงสังกสีถ้ารู้ไม่ไปข้างในเนี่ยทองทั้งนั้น อัลลามเลยคนเรานี่มักจะมองอะไรที่เปลือกนอกนะทั้งที่ข้างในเนี่ยจะงดงามอย่างเงาะเนี่ยเงาะเงาะป่าเนี่ยนะข้างในเนี่ยนะก็คืออะไรนะสังทองคนไม่รู้นะและ้วจุดทางานคือมันมองมันทําให้เราเห็นเลยนะว่าเนี่ยความจริงกับสิ่งที่เห็นนี่มันไม่เหมือนกันนะ สิ่งที่เห็นเนี่ยนะโอยพระธูปปูนปั้นไม่สวยเถรทะนะแต่ว่าความจริงเนี่ยเป็นพระธูปทองคำเลยของบางอย่างเนี่ยเราอย่าไปเชื่อสิ่งที่เราเห็นด้วยตาเพราะว่าข้างในนี่อาจจะเป็นอะไรยิ่งกว่านั้นมันก็เหมือนกับเคราะนะเคราะที่เราเรียกว่าครอบกรรมเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นโชคก็ได้นะ คนที่จะป่วยคนที่ตกระครลําบากนะจริงๆนั่นอาจจะเป็นโชคก็ได้นะเป็นโชคที่แฝงมาในรูปของเคราะห์ในเวลาเราเจอคราะนี่ก็อย่าเพิ่งไปโวยวายตีโพยตีพายเพราะว่าอาจจะกําลังเจอโชคก็ได้สิ่งที่เสียไปอาจจะหมายถึงลาบก้อนใหญ่ก็ได้และสิ่งที่น่าคิดอย่างนี้คือว่าความจริงของโทธิรูป ทองคำวงนี้ซึ่งตอนหลังชาวบ้านเรียกหลวงพ่อทองเนี่ยนะจะยังเป็นความลับตราบใดที่ยังถูกทิ้งไว้ใต้เพิงสังกสีนะแต่พอทางวัดเนี่ยเห็นคุณค่านะอยากจะประดิสถานไว้ในวิหารสร้างวิหารมาโดยเฉพาะเลยเพื่อเป็นการให้เกียรติเพื่อเป็นการแสดงความเคารพพอใหอ้ให้ความเคารพกับพระพุทธรูปปูนปั้นนี้นะความลับมันก็เผยออกเลยนะว่าที่จริงไม่ใช่ คือพระธูรุปทองคำเพราะถ้ามีมีการโยกการย้ายนี่ก็ไม่มีทางที่จะปูนจะกระเทาะนะจนหินทองนะนี่พอคนเริ่มให้คุณค่ากับพระธูโองนี้นะคุณค่าของพระธูโอนี้ก็แสดงตัวมาอย่างชัดเจนนะว่าฉันไม่ใช่ปูนปั้นนะฉันคือเป็นทองเลยนะนะและบอกว่าก็นําโชคนําความนําสิ่งดีๆมาให้กับวัดไตรมิตรนะจนถึงทุกวันนี้ ใครที่ไปวัดไตมีก็ต้องไปกราบพระทุรูปองเนี้ยหลวงพ่อทองพอให้คุณค่ากับพร ะ, พระทรุลุงค์นี้นะชคก็เกิดขึ้นนะกับผู้ที่ให้คุณค่ามันก็เหมือนกับคนเรานะบางคนเนี่ยจะดูเป็นเด็กขี้เลยไม่ฉลาดแต่พอครูเนี่ยให้ความสำคัญให้ความเห็นคุณค่า ดูแลใจใสเขาดีปอ ก, ก็กลายเป็นอัจฉริยะเลยอัจฉริยะหลายคนเนี่ยนะเดิมทีก็ไม่มีความน่าสนใจนะขี้ฤกขี้เลยดูโง่แต่พ่อครูเนี่ยเขาเห็นคุณค่าเขาก็ดูแลใจใส่นะปอก็ว่าใช้แววเลยนะแววอัจฉริยะพระพุทธรปูปปั้นนี้เหมือนกันนะเป็นเพราะว่าคนให้เห็นคุณค่านะอยากจะปฏิสถานไว้ในวิหารไม่ปล่อยทิ้งไว้คุณค่าของ หลวงพ่อทองก็สแสดงตัวออกมาเลยแล้วก็นับแต่นั้นมาวัดไตรมีก็เรียกว่ า, า, าได้โชคลามาโดยตลอดอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่น่าคิดเลยทีเดียวนะ